ไอคนที่ยิงตายมันก็ปราถนาความสุขนะไอที่ไปยิงเขาตายก็ปราถนาความสุขนายกเองก็ปราถนาความสุขเอ๊ะทาไมมายิงกันทําไมมันเป็นเรื่องอะไรอ้างว่าจะทําเพื่อสันติภาพทําเพื่อชาติกันทั้งนั้นแหละแล้วนะทําไมต้องมาฆากันละ่ะคุณก็จะทําสันติภาพให้เกิดทําความสุขให้เกิดแล้วทําไมต้องฆากันเทวาดาก็ยังเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่า เป็นเพราะอะไรรู้ไหมเป็นเพราะความลิษยาและความตะนีนะก็คือโทสะนั่นเองะแต่โทสะมันก็มีเหตุมาจากลิษยาและก็ตะหนีตะหนีก็คือหวงหวงประโยชน์เราไว้ไอ้ลิษยาก็คือเกลียดชังในลาบสักการะหรือผลประโยชน์ที่เขาได้ลาบสักการะคเคารพนับถือบูชาที่เขาได้ไม่ชอบใจ ก็ปะทุสลายกันอันนี่ไม่ชอบใจว่า น, นายกยอิสราเอลไปยอมพวกอาเลสไตายมากพวกเราก็เสียประโยชน์อะไรอย่างเนี้มันก็เลยวิษยากันโกรธกันแล้วก็ฆ่ากันเทวดาก็เหมือนกันถ้าเราเนี่ยไม่มีความหึงความหวงนะมันจะไม่รู้จะไปทําอะไรกันนะถ้าเราไม่มีริษยาด์หนีเนี่ย ลิสยาคือหึงนะหึงนัภาษาไทยว่าหึงแต่จริงๆมันมันก็คือไม่ยินดีไม่ชอบใจในประโยชน์ความสุขที่คนอื่นเขาได้ที่คนอื่นเขาได้ถ้าเราไม่มีลิสยาไม่มีตนหนีมันยุจะไปทำร้ายอะไรใครนีเราต น, นีเราหวงอกเดี๋ยวเขาจะมาแย่งผลประโยชน์ของเราเราก็ต้องทำร้ายเขาประทุตร้ายเขาฆ่าเขา เพราะฉะนั้นความสงสัยของเท้าสักกะก็หมดไปนะถามปัญหาถึงสิบห้าข้อนะปัญหาธรรมะของเท้าสักกะทูตเจ้าได้กล่าวได้เนื้อความได้กล่าวว่านะเมื่อจะบรรเทาความสงสัยของเท้าสักกะจึงได้แสดงธรรมาเทศนาพุทธเจ้าได้แสดงธรรมาเทศนาในการจบธรรมาเทศนา สัตว์ทั้งหลายประมาณ14บสี่โกดได้บรรลุได้บรบรลุมรรคผลนิพพานอันนี้ก็หมายถึงพวกเทวดาพรหมนับจำนวนไม่ได้ส่วนเท้าสั ก, กะเทวราชบรรลุโสดาปฏิผลได้โสดาปฏิผลเลยเห็นสภาวะธรรมเลยว่าให้โลภโกรลงเนี่ยมันร้ายจริงๆนำทุกข์มาให้จริงๆโลภะเนี่ยแล้วทุกข์ที่เราได้ก็คือ สิ่งที่เรารักนั่นแหละสิ่งที่ไอ้โลภะมันรักมันทุกขทั้งนั้นไม่มีสุขเลยแต่มันก็ยังอุตส่าห์ไปรักอคืออุปาทานขันห่าไอ้ที่โลภะรักแล้วเป็นสุขก็ไม่มีนะไม่มีเพราะโลภะมันก็รักได้แต่รูปเปทนนาสัญญาสังขารวิญญาณในอดีตปัจจุบันหรือในอนาคตก็แล้วแต่มัน ก็รักได้แค่นั้นสิ่งที่มันน่า ก, ก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นเนี่ยมันได้มาเห็นเพราะฉะนั้นเรารักอะไรต้องพิจารณาให้ดีว่ามันให้สุขกับเราจริงหรือเปล่าไอ้สิ่งที่เราไปรักสิ่งที่เราไปยินดีพอใจมันให้จริงหรือเปล่าอุตส่าห์รักแล้วมันยังได้ความทุกข์มาเนี่ยมันขัดทุนยับเลยสิ่งในที่เราเกลียดชังมาแล้วเนี่ยมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขจริง บางทีเราอาจจะไปเกลียดชังศีลก็ได้เกลียดชังทานก็ได้ไปเกลียดชังศรัทธาก็ได้นั่นแหละเขาให้สุขหรือให้ทุกข์จริงต้องพิจารณาซะให้ดีในสิ่งที่ควรเกลียดกลับไปรักสิ่งที่ควรรักกลับไปเกลียดในสิ่งที่ควรเกลียดก็คืออุปาทานขันห้าให้ชีวิตที่โลภะมันยืดมาเป็นของมันเนี่ยมันควรเกลียดเพราะมันนําทุกข์มาให้แต่เรากลับไปรักไอ้สิ่งที่ควรรัก คือคำสอนพุทธเจ้าคือศรัท ธ, ธาศีลหิริโอตตะสุตะสติปัญญาเนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะรักเพราะนำประโยชน์สุขมาให้หรือมรรคผลนิพพานเนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะรักแต่เรากางคนก็กลับไปเกลียดเพราะฉะนั้นนี่ก็ทำให้สัตว์โลกไม่สามารถจะพ้นจากความทุกข์ไปได้เพราะไปรักสิ่งที่เป็นทุกข์ ไปเกลียดสิ่งที่มันเป็นสุขส่วนเท้าสักกะเทวราชบรรลุโสดาปฏิผลตามที่ประทับนั่งแล้วนั่นเองเป็นสักกะหนุ่มแล้วนั่งลงแล้วเป็นหนุ่มเลยเรามีอุปการะมากเป็นเรามีอุปการะเป็นอันมากแกเท้าสักกะเทวราชแกเท้าแกเท้าสักกะเทวราชนั้นด้วยประการอย่างนี้คือพระเจ้าเนี่ยพูดง่ายๆว่าให้ชีวิตใหม่เลย แกแล้วกลัวตายด้วยกลับกลายเป็นโสดาบันเลยแล้วก็หนุ่มด้วยเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงเป็นยอดบุพการีผู้อุปการละกอนไม่มีใครเสมอเหมือนแล้วทัานทาส ก, กะเทวราช จ, จึงมีความกระตันยูกระตเวทีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสุดชีวิตเอาเราลองคิดดูดีว่าถ้าเผื่อใครก็มาทําให้เราเนี่ยหนุ่มขึ้นมาใหม่ได้แล้วก็กลายเป็น อริยบุคลคลกิเลสไอ้ที่ไม่เคยละละไปได้เราจะกระตันอยู่ไหมให้ชีวิตใหม่แกเราเลยให้ความสุขใหม่และเป็นความสุขยั่งยืนด้วยให้ปัญญาให้ศรัทธาให้ศีลให้วิริยะสติสมาธิใหม่แกเราเลยที่เป็นของประจาชีวิตเราไปได้เลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่า เรามีอุปการะเป็ น, นมากแก่เท้าส ก, กะเทวราชนั้นด้วยประการอย่างนี้ชื่อว่าความศิลเนหาในเราของเท้าสักกะเทวราชนั้นไม่น่าอัศจรรย์ความที่เท้าส ก, กะมารักในพระผู้มีพระภาคนั้นไม่ใช่เป็นของน่าอัศจรรย์น่าระจังเพราะว่าเขาเขาได้ฟังธรรมแล้วกลับเป็นหนุ่มแล้วก็ได้เป็ลุโสดาปัฏิพลด้เพราะอุปการะของพระศาสดาต่างหากที่น่าอัศจรรย์ ภิกษุทั้งหลายการพบเห็นหล่าอริยะบุคคลก็ดีการอยู่ณที่เดียวกันกับลาวอริยบุคคลก็ดีให้เกิดสุขนี่เป็นชัดเป็นเรื่องชัดเจนเลยว่าเท่าสักเทวราชอยู่กับเทวดาทั้งหลายนั้นไม่เกิดสุขมาพบพระพุทธเจ้าครั้งเดียวเท่านั้นน่ะได้เห็นพระพุทธเจ้าครั้งเดียวได้เห็นคุณพระพุทธเจ้าครั้งเดียวคือได้เห็นมรรผลนิพพานนะนะได้ฟังธรรมแล้วไปเห็นนะ เกิดสุขจริงๆเลยคือสุขในมรรคผลนิพพานที่เป็นของเทียงแท้ตาหรับอริยบุคคลนั้นๆแต่ว่ากิจเช่นนี้คือการพบอริยบุคคลแล้วอยู่กับเรียบคนเป็นสุขนั้นนะกิจเช่นนั้นกับพวกคนผานไม่มีกิจเช่นนั้นคือการเห็นคนผานการอยู่ร่วมกับคนผานให้เกิดทุกข์ทั้งนั้น พรนะพุทธเจ้าจึงบอกว่าแต่ว่ากิจเช่นนั้นกับพวกคนผ่านให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นแล้วจึงทรงภาษิทธคาถาเหล่านี้ว่าการพบเห็นราวอริยะบุคคลเป็นการดีเนี่ยที่ท่านทั้งหลายมาฟังธรรมเนี่ยเป็นการดีนะเพราะคาของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีเลยที่จะเป็นคําปราศจากประโยชน์โกหกไม่เป็นจริงฟังแล้วเนี่ย ก่อให้เกิดความโลภโกรธหลงไม่มีมีจะก่อให้เกิดปัญญาตามกำลังของเราเราฟังดีก็ได้มากฟังน้อยก็ฟังไม่ดีก็ไม่ได้ไม่มากก่อให้เกิดศรัทธาก่อให้เกิดสติก่อให้เกิดความสลดสังเวชก่อให้เกิดประโยชน์มงคลแข่ชีวิตทั้งนั้นนั่นการได้ฟัง การได้พบเห็นการได้ฟังธรรมการได้บำรุงรับใช้การได้อยู่กับเ่าอาญาบุคคลนะเป็นความดีเพราะให้เกิดความสุขเพียงแต่เราคิดถึงคุณของพระศาสดาได้แเรวก็เกิดความสุขยันหาได้ยากแล้วแล้วก็การที่จะได้ความสุขแท้จริงก็คือไม่พบเห็นคนผ่านเพราะฉะนั้นเราฟังธรรมแล้วก็ต้องอธิษฐานบุญหรือทําบุญข้างใดก็ต้องอธิษฐานบวชยะได้พบได้เห็นได้ฟัง คำของคนพาลจะได้ยินดีเจรจาปราศัยกับคนพาลจะได้สมาคมกับคนพาลเลยตั้งแต่บัด น, นี้ไปในทุกชาติทุกภพจนกว่าจะบรรลุพระนิพพานเป็นพระอรหันต์ขอให้เราได้เห็นได้อยู่ร่วมกับอริยะบุคคลกับบัณฑิตได้ฟังธรรมได้รู้แจ้งในธรรมมีปัญญารู้แจ้งในธรรม เพราะอะไรเพราะว่าเ้าจะได้ความสุขทุกเมื่อเหมือนกับอยู่ร่วมกับญาติที่เป็นที่รักเราคำสอนของพุทธเจ้าคราสอนของพระหรันนั้นเหมือนกับญาติที่รักเราเหมือนกับพ่อแม่พี่น้องที่รักเราจริงเพราะว่าประกอบด้วยความเมตตากรุณาและปัญญาให้ประโยชน์ให้ความสุขจริงๆกาจัดกิเลสสิ่งชั่วร้ายที่เป็นศัตรูชีวิตของเราได้แท้จริง ก็ขอจบเรื่องของการพบเห็นลาอริยบุคคลเป็นการดีการพบกับคลผ่านเป็นทุกไว้เพียงนี้ขออนุโมทนาในผลบุญกุศลที่ท่านได้กระทาแล้วขอให้เป็นเหตุปัใจจัยให้ท่านเป็นผู้ไม่ประมาทในการเจริญบุญกิยาวัตถุสิ์และเห็ออนธรรม ท, ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วคือฤยาสัตย์สี่โดยทั่วถึงกันโดยเร็วพันธุ์ทุกท่านเทิน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถึงจะไปโยมอีกสักสิบนาทีเดี๋ยวรถมาเดี๋ยวไปด้วยกันได้